เออสมัยหนึ่งหลวงตามหาบัวนี่ไปอยู่กับหลวงปู่อย่างนอ้องบ้านสร้างทวัดโฮมูไหนวัดปลาไหมหลวงตามหาบัวไหมไปอยู่หันบอกเออคนว่าคนไปอยู่หันมนันหรืปล่ไปอยู่บ้านนั่น เออออกจากวัดโนท่าไปเลยไปโย่หัณฑ์บรมเอนบรมเนบัณฑบไดประวัติเพื่นเน่ะเพื่นว่าเนี่บัณฑบัณฑหัวหมูบอลหมูก็บัณฑ์เออบัณฑ์สร้างในรอบัานั่นเพื่นว่าเพื่อนไปโย่บัณฑ์เนยพอก็แม่เพื่อนเนี่ยไปจังหันยังมือเสาร์หนูไปไปแต่เสาตั้งแต่ตีสี่หนูยางจากบัานตาดไปจังหันตะกอนมันยางมาลอกงอกแกกเนมันว่าล่ะทั้งโคตทังโคงจะไม่ไปทั้งใดก็บุหงา พอไปหอดนะกัไปจังหันโอ้ยได้เห็นพอกับแม่บ้านนี่ะดีอกดีใจคุณว่าเวลามาจังหันก็เด็ฉันจังหันแล้วก็ได้กคุยกับพ่อแม่ชัวระยะหนึ่งพ่อแม่ก็ลากกับบ้านพอกับบ้านไปในเลี้ยวเบื้งทางหลังพ่อแม่ที่บ้าจังหันโอ้คืถึงพ่อขึ้นแม่เลกๆน่าใจขอสันบนว่าตั้งแต่พอแ้งะจะเป็นพระแล้วยังคือถึงพ่อถึงแม่าบาดเดน นี่แหละเพราะเหตุนั่นแหละคนเนี่ยเม้นพระองค์ไหนอยู่ในว่าเท่าเนี่ยผู้ดใดพอแม่มาเยี่ยมยามาหนะ <c oughs> โมเมนมาเยี่ยมตอนเยี่ยมไส่มายามตอนแ ย, ยมไส่แยมตอนยามไส่พอได้ป่าไปกินคนนึงอันนี้มิตรมายามเยี่ยมหลวงแยมหลวงเออมิตรความบวาวเวอ่างวางเข้าเคยเจอมาแล้วเพราะนั้นเข้าผ่้ใ้พอแม่มาเยี่ยม <c oughs> หลวงตาวาวแล้วไปเอมหาธิแลกเพื่อนข่าวเรื่องของเพื่อนนึง ปอฟั่งอย่าี้ลยทุกคนบาาแล้วเพื่นหาหลังบัน ม, มันเหมืนความเพลินเลยแมืนความเพลินอิริทันนี่ยะแมืนความหลงตาพ่อมาเยี่ยมแล้วกันพอ พ, อพ่อแม่หันหลังหายท่า น, นั่นแหละคิดคิดถึงระบาดคิดถึงพ่อแม่ว่างั้นเถอะเอี่ยมันคล้ายๆว่าพ่อแม่เป็นเรื่องผูกพันลึกๆในจิตใจ ในเมื่อพ่อแม่มาเยี่ยมก็ดีใจตั้งที่ตัวเองก็ใหญ่แล้วนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นนะมันเป็นลึกๆให้เราสังเกตดูเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยอายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วเวลาป่วยหนักๆเข้าไปพอเพอเข้าไปหมดสติขึ้นไปมันคล้ายๆว่ามันเออมันมันมันมันทุกอย่างมากเลยอมันทุกข์อย่างมาก คนขนาดเจ็ดสิบแปดิปียังร้องหาพ่อหาแม่ได้พ่อแม่เอ้ยมาซอยภูเขาแด้พ่อแม่เอ้ยมาซอยภูเาขาแด้ทั้งที่พ่อแม่ตายไปรู้เพราะเท่าไหร่กันเลยคำว่าพ่อแม่คํานี้น่ยมันฝังลึกในจิตใจของของพวกเราทุกคนแต่ถึงข่าวทุกมาแล้วมันยังโผล่ออกมาเออมันโผล่ออกมามันร้องเรียกหาหาพ่อหาแม่พราเมื่อสมัยเราเป็นเด็กๆใช่ไหม มันร้อนหมดมันหนาวบอกอะไรทุกเนียก็เรียกพ่อแม่เข้ามาช่วยแม่ก็ต้องให้ความอบอุ่นเหมือนกันเดเออดูแลปนิบัติลูกก็ได้รับความอบอุ่นทางด้านจิตใจนั่นแหละมันฝังลึกทางจิตใจของพวกเราเหมือนนเถขนาดอายุถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีป่วยฟันหลุดหมดแล้วผมขาวหมดแล้วเวลา เจ็บไข้ได้ป่วยยังเรียกร้องหาพ่อหาแม่เหมือนกนเถอะเพราะมันฝังรึกในจิตใจนี่แหละพระคุณของพ่อของแม่เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมากมายมหาศาลนะเพนแต่เพียงแต่ว่าคนจะคิดหรือไม่คิดเท่านั้นแ่ะถ้าคนมีปัญญามากถ้าคนมีปัญญาได้ศึกษาได้ศึกษามีปัญญาแล้วก็ได้ศึกษาศึกษาคืออะไรคือได้ยินได้ฟังจากทำความสั่งสอน ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากท่านผู้รู้ทั้งหลายเราก็ได้นำมาวิเคราะห์ดูว่าเออพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณจริงๆเออ่อย่างเนี้ย เ, เราก็ราลึกถึงพระคุณในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราจะช่วยเหลืออย่างไรเราจะแทนพระคุณท่านได้อย่างไรเราจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพ่อแม่ของเราอย่างไร อันนี้คือผู้มีปัญญาพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทดแทนพระคุณของท่านได้แต่บางคนก็อย่างว่ า, าจนพ่อแม่แก่เท่าชะลาขึ้นมาตัวเองมีลูกมีเต้ามีลูกมีหลานขึ้นมายังค่อยลำลึกถึงพระคุณของท่านโอ้พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาคงจะเลี้ยงยากเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่นะท่านก็คงจะห่วงหาอะไร เราเหมือนกับลูกหลานที่เราห่วงหาอะไรนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้แสดงความกระตันยูหรือว่าทดแทนพระคุณของท่านเลยมีแต่เราห่วงไปข้างหน้าอันนี้เราก็ระลึกถึงพระคุณของท่านเราก็ตอบแทนพระคุณของท่าน เ, เมื่ออายุแก่แล้วพ่อแม่แก่แล้วแต่บางคนก็นุน่นน่ะจนพ่อแม่ล้มหายตายจากไป เราจรึงลำลึกถึงพระคุณของท่านบางทีก็สายเกินไปเสียแล้วไม่รู้จะทํำยังไงก็มีทางเดียวก็คือเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วประทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านไปทําบุญที่ไหนวัดไหนอย่างไรก็เออดวงวิญญาณของพ่อของแม่สิงจะติตยอยู่ณทินใดที่ได้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญในวันนี้นะ อันนี้ก็ยังลำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่แต่มากกว่านั้นบางคนไม่ละลึกถึงบุญคุณเลยเยังดูถูกเกียดหยามจนถึงวันตายละลึกไม่ได้เลยอันนั้นแปลว่าโง่ฮะทั้งเนรคุณด้วยทั้งโง่ด้วยทั้งโง่ด้วยทั้งเนรคุณด้วยเพราะไม่ละลึกถึงพระคุณเพราะเหตุใดเพราะว่ามันละลึกไม่ได้คนประเภทอย่างนั้นขึ้นมาละลึกถึงบุญคุณใครก็ไม่ได้มีแต่เห็นแก่ตัวเท่านั้นเอง ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าบุตรออวาชา ต, ตบุตรอนุชา ต, ตบุตรอภิชาตบุตรนะบุตรสามประเภทแต่หลวงตามหาบัวท่าน ย, อย่อยออกมาอีกลูกหลอกลากเลิกสี่ประเภทหลวงตามหาบัวท่านย่อยเป็นสี่ประเภทลูกนั่นคืออะไร ลูกนะคือลูกที่เกิดมากับเราตามทํานองครองธรรมคล้ายๆว่าเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รู้จักพระคุณของบิดามารดาพ่อแม่พาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเพอเอจะดียิ่งกว่ายี่งดียิ่งกว่าพ่อกว่าแม่อีกเพราะเขามีสติมีปัญญาเกิดตามยุคตามสมัยพ่อแม่ก็ทำมาค้าขายอีกแบบหนึง่งแต่เขาเนี่ยทมาค้าขายแบบไฮเทค มีอะไรเข้ามาช่วยเจริญรุ่งเรืองมากกว่าพ่อแม่แล้วก็นาที่การงานของเขาก็เด็นกว่าการประพฤติปฏิบัติอยู่ในชุมชนสังคมของเขาก็เด่นกว่าศีลธรรมในจิตใจของเขาก็รู้จักประคุณของพ่อของแม่ศีลธรรมของเขาก็เด่นกว่าคือเด่นกว่าทุกด้านกว่าพ่อแม่เรียกว่าอ่พิชาตตบุตรนะเรียกว่าบุตรบุตรทิดาอย่างน้อยก็ลงมาก็เสมอพ่อเสมอแม่ ถ้าต่ำกว่าพ่อแม่ทำไมลากระบาดเนี่ยเสมอพ่อเสมอแม่กันเหนือกว่าเนี่ยผว่าเป็นลูกว่างั้นแตถ้าต่ำกว่าเนี่ยเป็นลากทำไมลงตาท่านจังหวัดเป็นลากลากพ่อลากแม่บางทีไปกินเหล้าเมายาไปตีหัวไปดาเขาตีหัวม้าดาแม่แจ็กย่างที่วาเนีเอ่อทำความชั่วเสียหายผลที่สุดตำรวจเขาจับเข้าคุก พ่อจับเข้าคุกเจแล้วนะเนี่ยเาก็ทำยังไงลนะ่ะพ่อแม่ไม่อยากจะเห็นคุกก็ต้องได้ไปเพราะลูกตัวเองเข้าอยู่ในคุกนี่แหละว่าลากลากพ่อแม่ลูกลากแบบั้นลากพ่อแม่เข้าไปหเห็นคุกเห็นตารางนี่ทั้งที่พ่อแม่ไม่อยากจะเห็นเลยแบานั้นเเป็นอัปมงคลที่ไปเห็นลูกอยู่ในห้องขังอ่าันนี้แบบไปลากแบบนะั้นละลากพอลากแม่เข้าไปหาความชว่วช้าเสียหายอันนี้ลากลูก ลากลอกเออลอกก็ลอกเงินพ่อแม่แต่นี่ออกมาจากคุกก็เอาแหละเอผมติดคุกเพราะเป็นนั้นเพราะเป็นนี่เพราะเป็นนี่เป็นสินพ่อแม่เลยจ่ายนี่จ่ายสินให้เอเพื่อจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีฮพอในสุดพ่อแม่ก็เลยมดเงินมดทองกับลูกของตนเองพอมันลอกเอาไปหมดเลยมันหลอกมันลอกมันหลอกปอกเอาไปหมด พอที่สุพ่อแม่หมดเงินที่นี่แล้วก็เลิกกันที่นี่มันไม่นับถือแล้วเพราะมันไม่มีคุณธรรมเลยลูกประเภทอย่างนี้มันไม่มีคุณธรรมในจิตใจก็เลยบอกเลิกกูไม่นับถือหอพ่อแม่อย่างนี้เกิดมากูให้กูจนให้กูลําบากค่าอดูถูกไปอย่างนั้นไปอีกพ่อแม่ก็เลยมดท่าอะไรแบบนั้นเถอะได้ลูกประเภทบอกเลิกคำว่ากันเถอะบอกเลิกไม่นับถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่อีกต่อไป นี่แหละลงตาท่านบอกว่าลูกลอกลากเลิกลูกสี่ประเภทแต่ลูกของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา้าท่านมาอภิชาตตะบุตรบุตรที่เหนือกว่าพ่อแม่ทั้งทุกด้านอนุชาตตะบุตรบุตรที่เสมอพ่อแม่อภาชาตตะบุตรบุตรที่ต่ำกว่าพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนะนะ ถารู้ว่าตัวเองต่ำทางไหนเราเสาะแสวงหาทรัพย์ไม่ได้เราก็ต้องหาทางปฏิบัติศีลปฏิบัติทำให้เหนือกว่าพ่อแม่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาปฏิบัติออให้จิตใจสูงส่งกว่าพ่อแม่อันนี้ก็เป็นอภิชาติบุรได้แต่ถ้าว่าเราทางศีิยธรรมก็ด้อยการเป็นอยู่การครองชีพก็ด้อยอันนี้เป็น อวัชาตบุตรแน่ว่างนั้นแ่่เพราะนั้นให้มองตัวเองถ้าข้าไปเจ้าไม่ไหวแล้วต้องเป็นอาวัชาตบุตรแล้วแน่ น, นี่เราก็ต้องพยายามปีกตัวออกมาให้เด่นขึ้นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้นให้มีศีลมีธรรมขึ้นแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้เป็นพระที่ดีให้เป็นโยมที่ดีทางฝ่ายผู้หญิงอ้าวเข้ามาวัดวาศาสานาเป็นชีที่ดีประพฤติ ปฏิบัติศีลธรรมให้เกร่งคลาดปฏิบัติพอทางโลกเราก็ผ่านมาพอแรงแล้วการมั่งมีสีสุขเราก็ร่ำรวยมาพอเป็นพอไปแล้วบัดนี้เข้ามาหาสแสวงหาธรรมสแสวงหาธรรมมีแต่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจแหะถ้าว่าเราไม่ได้สสแสวงหาทางธรรมธรรมะไม่เข้าสู่จิตใจของเรามีแต่ความเรอดร้อนนะ เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่นนานนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะพวกเราโชคดีนับไปโชคดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาประเทศไทยประเทศชาติของเราตั้งแต่พระมหากษัตริย์ปู่ย่าตาทวดของพวกเราพานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลนะไม่ให้เชื่อไม่ได้สอนให้คนเชื่อง่ายๆไม่แนะนาให้คนมีศรัทธาอย่างเดียว ให้มีศรัทธาด้วยให้มีปัญญาด้วยพระพุทธาศาสนาเนี่ยศรัทธาสัมปยุจด้วยปัญญาที่นับถือเลื่อมใสยอย่างนี้เพราะอะไรทำไมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานนะรักษาศีลนะภาวนานะตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญนะแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงนำมาวิเคราะห์เป็นข้อข้อด้วยสิทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทาน พราะพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันต้องมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต่างคนต่างอยู่ไม่มีน้ําใจต่อกันไม่มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันและโลกทั้งหลายจะอยู่ได้อย่างไร เ, เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สงเคราะห์ลูกไม่สงเคราะห์กระทั่งหมาแมวสัตว์เหล่านั้นจะอยู่กับเราได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะว่าเรา ไม่มีทานไม่มีการเสียสละไม่มีเมตตาไม่มีน้ำใจแล้วจาติโกโหติกาพี่น้องเพื่อนฝูงล่ะจะอยู่กับเราได้อย่างไรถ้าเรามีอยู่มีกินแล้วเราไม่แบ่งปันให้แก่เขานี่แหละของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจังว่าให้มีน้ำใจนะให้มีทานนะให้มีการเสียสละเราไม่อยู่มีกินเราแบ่งให้รู้จักแบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็บแบ่ง กินแบ่งใช้อีกส่วนหนึ่งและก็บแบ่งเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ชุมชนสังคมอีกส่วนหนึ่งแต่เรามีแต่เก็บอย่างเดียวไม่รู้จักแบ่งใครเราอย่าหวังเลยว่าจะมีพี่มีน้องมีวงศ์สกานายาติมีญาติโกหติกาไม่มีแต่ถ้าเรามีน้ำใจแล้วไปน่าจะฐานที่ใดมีแต่วความร่มเย็นเป็นสุขญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ให้ความสาคัญให้ความ เอือเฟือเอืออารีต่อกันพอเรามีทานสินก็เหมือนกันท่นี่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาสินสินห้าสําหรับคารวะพระพุทธเจ้าท่านนําศินเนศิล น, นั้นเป็นศิลคุ้มครองโลกเป็นศิลมาตั้งแต่ดึกดําบรรเป็นศินมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกพวกเราศึกษาในชาดกต่างๆที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในอดีตชาติ แต่ละชาติบางทีพระ อ, องค์เป็นผู้มีศิลอย่างเนี้ยก็แสดงว่าสินห้าของพระพุทธเจ้าสินอุโบสถในครั้งก่อนเป็นศินของฤาษีชีภัยเป็นศิลรักษาเป็นสินรประจําโลกมาตั้งแต่ดึกตําบันเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ได้นําศินดั้งเดิมอมาประกาศมาเผยแผ่มาเอาจริงจังเหมือนันเะมาตั้งกฎขึ้นมา ให้พุทธบริษัทของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามเพราะสินหนะ้าเป็นสินคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพโลกทั้งโลกจะสงบพรมเย็นเป็นสุขได้ต้องเป็นผู้มีศินศินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันนะสูรเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันเพราะชีวิตของเขาเขาก็รักไม่มีอะไรรักยิ่งกว่าชีวิตพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนั่งดูคิดดูทบทวนดูให้ดี ไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าชีวิตถึงเขาจะเอาเงินคำทรัพย์สมบัติเพชรนินคินดารักขนาดไหนแต่ข้อสําคัญอย่าฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอชีวิตไว้เถอะท่านจะเอาไปก็เอาไปเถอะอมอบให้โจร น, นักเลงไปแต่ชีวิตนี้ขอซะก่อนเพราะว่าเมื่อชีวิตขาดไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ขาดไปด้วยแต่ถ้าว่าชีวิตยังมีอยู่เราก็พร้อมที่จะหาสิ่งอื่นได้อีก เ, อเพราะนั้นสู่เจ้าอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าไปฆ่า ข้าแม่ค่าวงสาคนาญาติข่ามิตรสหายของเขาค่าลูกข่าเมียของเขาข่าสามีภรรยาของเขาค่าวงสกุลของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าฆ่ากันนะถ้าสู้เจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมแล้ว สูเจ้าอยากคิดค่ากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละสินมีความหมายสินของพระพุทธเจ้ามีความหมายมีคุณค่ามีประโยชน์สำหรับผู้มีคุณธรรมในจิตใจเว้นเสียจากคนที่โลภโหโมกนอะคนเห็นแก่ตัวอันนั้นแปลว่าสินและธรรมเนี่ยไร้ความหมายสำหรับคนประเภทอย่างนั้น แต่ถา้าคนมีคุณธรรมในจิตใจแล้วอย่าฆ่ากันนะก็มองเห็นแล้วในเมื่อเราต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะไปคิดเบียดเบียนจะไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเราละ่ะเราก็เสียใจถ้าเราไปฆ่าเขาละ่ะก็เหมือนกันใจเขาใจเราอทิ น, นาทานก็เหมือนกันเราจะไปคิดขโมยเขาถ้าเขามาคิดขโมยเราละ่ะมาขโมยของเราขโมยพ่อขโมยแม่ของเราลูกเมียของเราไปเรียกค่าถ่ล่ะ เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรเนี่แหลินข้อที่สองเราคิดดูให้ดีศินของพระพทุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากแล้วก็ข้อที่สามกาเมสุมิทฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของเขาตระกูลของเขาเขารักสงวนห่วงแหนของใครก็มีของเราก็มีของเขาก็มีต่างคนก็ต่างมีมีวงญาติโกโหติการ สามีภรรยาลูกแต่เราไปร่วงล้ำเขาละเขาก็เสียใจถ้ามาเขามาร่วงล้ำเราละถ้าไปสู่ขอตามประเพณีอันนั้นคือกฎระเบียบของโลกเป็นไปตามก ฎ, กฎกติกาของโลกที่ท่านได้วางเอาไว้แล้วอันนั้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไปทำผิดประเพณีกระชาก拉ู่เยยบย่ำหัวจิตใจของเขาเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหนที่เมื่อเขามาเย็บย่ำหัวใจของเราสิ่งนี้ก็ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหาความสงบสุขไม่ได้นะถ้าพวกเราพวกท่านทั้งหลายไม่เคารพความสําคัญไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันศินข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีมุสาว์โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาการต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเป็นยังไงมันมีหลายประเภททุกวันเนี่มีมากเหลือเกินเอาของปลอมว่าเป็นของจริงเอาของจริงว่าเป็นของปลอมอเขียนเช็ค รับประกันเขียนเช็คเด้งให้เขาอย่างนี้นล้วนแล้วจะเป็นตะกูลโกหกทั้งนั้นถ้าเราไปโกหกเขาล่ะทำให้เขาร่มจมจิบหายเสียหายอย่างมากเสียอกเสียใจอย่างมากกกหักบางคนถูกหลอกถูกต้มตายไปก็มีเส้นเลือดแตกในสมองก็มากต่อมากเพราะเหตุไรเพราะว่าโดนโกหกโดนต้มตุนหลอกลวงนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาดูให้ดีสิมีคุณค่าไหมถ้าว่าเราทุกคนมีเคารพสิทธิพูด ตามความเป็นจริงซื่อสัตย์ชุดจริตต่อกันไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นผาสุก ข, ขึ้นมาได้นี่ข้อที่ห้าสุราเมระยะมะัชะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งที่พระพุทธเ จ, จา้าทว่าการดื่มสุรากับปากของเขาเขาจะกินอะไรก็กินของเขาถือไปยุ่งอะไรกับเขาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่พอมันกินเข้าไปแล้วมันอยู่ตามลาพังกินแล้วมันนอนอยู่เฉยเฉยนะี่มันก็ไม่มีอะไร แต่เพราะมันกินเข้ามาแล้วมันอารวาดคนอื่นนสิละเอออย่างที่พวกเราได้เห็นตามสื่อต่างๆพอกินเข้าไปแล้วมันเมาเข้าไปเป็นไงเออสงกรานต์ปีใหม่ี่ยขับรถชนคู่ชนคนตายมากมายทั้งที่คนบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำอะไรตัวเองกินเมาสนุกตัวเองเออแล้วก็กินแล้วก็ขับรถชนคนอื่นเฉียวคนอื่นเสียหายคนอื่นจากนั้นก็ฆ่าคนอื่นอีกต่างหากเพราะคนชั่วคน เมาสุราแล้วทําความชั่วเนี่ทุกอย่างเพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างไงคนเป็นบ้าใครจะไว้ใจได้อันนี้ก็เป็นบ้าชั่วข่าวไม่ใช่เหรอคนดื่มสุราแหมชูลาชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마เป็นตระกูลเดียวกันหมดพอกินเข้าไปเสพเข้าไปแล้วทําให้สมองปั่นป่วนสมองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติอันนี้เป็นประเภทของเหมือนเมาเพราะพระพุทธเจ้าห้ามอย่าทํานะ อย่าเสพนะนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าให้สํานึกให้คิดดูให้ดีศีลธรรมของพระพุทธศาสนานี้มีคุณค่ามีประโยชน์เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาก็เหมือนกันให้ดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนเภาวนานได้สอนเข้ามาสู่จิตใจเลยสอนความนึกคิดของจิตใจ เรานึกคิดเรื่องอะไรเราอย่าไปโลภเกินไปนะโกรธเกินไปนะหลงเกินไปนะให้คิดไว้เป็นภาษาใจของตอนเองไว้อยู่นะว่าเอถึงข้าพเจ้าจะรักเกลียดโกรธเอรักชอบขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาเอข้าพเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเขาสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้จริงไหม ให้ถามใจเป็นภาษาใจของตนเองจริงไหมข้าพาเจ้าจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถึงร้อยปีใช่ไหมจริงไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราล่มหายตายจากไปเผาแล้วเผาอีกจริงไหมข้าพาเจ้าจะต้องไปอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปลูกหลานทั้งหลายคนทั้งหลายเขาจะต้องเผาเราอีกเบื้องหลังอีกใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องถามตนเอง มันเป็นความจริงทั้งนั้นมีแต่เราไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าให้คิดไว้นะพวกท่านทั้งหลายให้คิดไว้นะความตายเป็นของธรรมดาทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ให้คิดเอาไว้ถ้าคนคิดถึงความตายแล้วความโลภ ก็จะไม่เกินประมาณจะโกรธให้แก่ใครก็ไม่เกินประมาณจะลุ่มหลงมัวเมาในโลกว่าโลกทั้งโลก เ, เงินคําทรัพย์สมบัติพัสฐานไล่นาสามีภรรยาลูกหลานเป็นของเรามันก็คิดไม่เต็มใจเพราะอีกสักวันข้าพเจ้าจะต้องหนีจากเขาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นขนาดร่างกายข้าพเจ้าได้มาจากท้องแม่ ตั้งแต่วันเกิดอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเผาร่างกายของข้าพเจ้าบนเมนแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นชับสมบัติอย่างอื่นยศถาบรรดาศักดิ์อย่างอื่นสิ่งเราอื่นภายนอกอย่าหวังเลยว่าเป็นของเราให้เข้าใจวะนะ่าน่าใจนะใจนะให้เข้าใจนะ่าใจนะะให้ทําความเข้าใจกับใจตัวเองนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่ โครนต้นโพ ป, ประเทศอินเดียสมัยนั้นสองพันกว่าปีที่พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสรู้ทำในวันเดือนหกเพนทัดตรัสรู้เรื่องอะไรตรัสรู้เลาปุกเพในวาสานุจติยานรละลึกชาติโหนหลังได้กันเนี่ยพระองค์ทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายร่างกายในเหมือนกับรถจิตใจในเหมือนกับคนขับรถมันเป็นคนละอ่านกัน แต่กายเนะี่ยท่านก็นั่งสมาธิอย่างนี้สงบลเลยหลับตาแล้วนิ่งล่ะแต่จิตใจเนี่ยความนึกคิดมันยังดิน่นเออถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจของเรามันดิน้นรนขนาดไหนเออท่านเปรียบเทียบกเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ํายกขึ้นมาบนบกมันดิ่นอย่างนั้นอ่ะใจของเราเนะี่ยมันดิ่นอย่างนั้นนี่แหละกายกับใจใจตัว น, นี้มันดิ้นอยู่แต่นี้ พ, พระพุทธองค์ไม่ให้ใจมันดิ่นทีนี้ให้กําหนดอยู่ในกาย ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ในกายเนีคือลมหายใจเข้าออกจากนั้นจิตของโป่งก็นิ่งท่นีเ้เหมือนกับกายเลยเท่านี้กายกับใจนิ่งพอนิ่งแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอรู้ได้ว่าน้อมจิตใจไปในอดีตชาติจวบปุบเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละ เป็นอันว่าหลักของพุทธศาสนาเนี่ท่านเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดยใจตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอร่างกายเนี่ตายแ น, แน่แต่ส่วนจิตใจคือวิญญาณนั้นไม่ตายเพราะฉะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ศึกษาในเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าตัดรู้อะไรพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรในวันเดือนหกเพจนั้นพระพุทธองค์ได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก แล้วก็มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดญาณทัทนะเกิดฌานจากนั้นน้อมจิตล้ำลึกถึงชาติหันหลังได้แหมเป็นอันว่าตายแล้วไม่สูญพวกเรามาเกิดมาในอดีตชาติมากมายมาถึงชาตินี้ทว่าเราไม่ชำระใจของเราให้หมดจดจากกิเลสใจของเราดวงใจดวงนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยววุ่นวนเวียนเวียนไหวตายเกิด ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเกิดพมาชาตินี้เป็นคนพวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ตั้งตนไว้ชอบอัตตะสมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ชอบเลยคือให้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าพวกเราปฏิบัติได้อย่างนั้นนั่นแหละใครจะไปหาถ่ายรูปนะหลวงพ่อกําลังพูดไม่ใช่ไม่ให้ถ่ายรูปในช่วงนี้ ถ้าจะถ่ายถ่ายทีหลังนี่แหละพอพูดแล้วมันจบอย่างเนี้เห็นไหมเอา้าพูดในวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนเอารับพอ่อนไดตอนนี้เอา้าจะว่าอะไรว่าได้เส้น